สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บันนะครับในเย็นวันนี้ต้องขอไปพี่น้องที่วันนี้ส่งอาหารเย็นมาให้กับพี่น้องนะครับไม่ใช่อาหารเช้าเพราะเนื่องจากผมติดขัดปัญหาบางประการจึงไม่สามารถส่งให้ตอนเช้าได้แต่อย่างไงก็ตามครับขอพระเจ้าช่วยเราเพราะว่าพราะเจ้าของพระเจ้านั้นก็ยังเป็นพระเจ้าบุคคลผู้ใดที่เอียงหูตั้งใจฟังก็จะได้รับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าที่ ในเยวันนี้พระเจนานั้นมาโดยข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตครั้งที่สิบห้าครับแล้วก็หัวข้อภายใต้คือการเลือกถูกผิดพระเจ้าของพระเจ้าอยู่ในสุภาษิตบทที่สองข้อที่ยี่สิบจนถึงข้อยี่บสองครับโปรดฟังโพจะนะของพระเจ้าดังนั้นเจ้าควรจะดําเนินในทางของคนดีและรักษาวิถีของคนชอบธรรม เพราะว่าคนที่เที่ยงธรรมจะได้อยู่ในแผ่นดินและคนซื่อสัตย์จะคงอยู่ในนั้นแต่คนชั่วร้ายจะถูกตัดขาดเสีย จ, จากแผ่นดินและคนทรยศจะถูกถอนรากออกไปนี่คือสามข้อสุดท้ายของพระธรรมสุภาษิตบทที่สองครับในขณะที่ผู้เขียนสุภาษิตนั้นกำลังสรุปเนื้อความในบทที่สองเราจะรู้ว่าบทที่สองนั้นเมื่อคุณครูปัญญา หรือพระปัญญานั้นเข้ามาอยู่กับใครก็แล้วแต่คนคนนั้นจะรักษาวิถีชีวิตของตนได้อย่างดีและสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้เตรียมไว้กับชีวิตของเขานั้นไม่ว่าจะเป็นพระพรไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัวหรือแม้กระทั่งการที่ตั้งบางสิ่งบางอย่างไว้และพระเจ้าจะให้คาตอบหรือคาถามต่างๆในที่สุดแล้วเขาจะได้คาตอบเขาจะ เคลียทุกอย่างเขาจะมีความชื่นชมยดีในวิถีนั้นแต่ในทางกลับกันครับถ้าเราไม่เชื่อฟังถ้าเราไม่มีพระปัญญาหรือคุณครูปัญญานั้นเข้ามาในชีวิตของเรานั่นหมายความว่าวิถีของเรานั้นก็จะไม่มีใครเป็นผู้ที่รับประกันและเราไม่ได้เดินอยู่ในทางแห่งความปรารถนาและน้ำมไทยของพระเจ้าคนเหล่านี้จะได้รับพระปัญญายัางไงครับในบทที่สอง ก็สรุปอย่างนี้ครับว่าถ้าเรากระทําหูของเราให้ผึ่งตั้งใจเอียงใจเข้าหาความเข้าใจเพื่อจะรับพระปัญญาและเราอธิษฐานเรียกร้องขอความรู้และสติปัญญาเปล่งเสียงทูลขอความเข้าใจและสแสวงหาปัญญาตีคุณค่าปัญญาสูงสูงเสาหาปัญญาเหมือนกับเสาหาสมบัติ เราจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าครับเราจะรู้ครับว่าพระปัญญานั้นเมื่อเราได้เราจะยำเกรงพระเจ้าและพบความรู้ของพระเจ้าผมบอกอยู่เสมอนะครับว่าเมื่อไรก็ตามที่เราพบพระปัญญาเราจะอดหลงลักพระปัญญาไม่ได้เมื่อไรก็ตามที่เราพบความรู้ของพระเจ้าเราจะอดหลงลักพระเจ้าไม่ได้เช่นเดียวกันครับ เมื่อพระเจ้าประทานปัญญาให้กับใครพระเจ้าให้ปัญญาบวกความรู้และความเข้าใจใส่มาด้วยครับทำให้เรารู้ว่าวิ s d o m คืออะไรนะครับสติปัญญาคืออะไรทำให้เรารู้ว่าความรู้หรือ knowledge เป็นยังไงทำให้เรารู้ว่าความเข้าใจความทราบซึ้งเป็นยังไง understanding เที่ยงต่างที่พระเจ้าเตรียมให้กับเรานั้นพระเจ้าจะสะสมให้กับใครครับให้กับคนเที่ยงธรรมคนที่เชื่อฟังพระองค์คนที่เป็นลูกของพระองค์และไม่เบียงแต่เท่านั้นเมื่อพระปัญญาหรือคุณครูปัญญาเข้ามาในชีวิตของใครก็แล้วแต่นะครับพระเจ้าจะทรงเป็นโลเป็นที่กําบังเข่มแข็งให้กับคนที่ดําเนินอยู่ในพระปัญญานี้ดําเนินอยู่ในความซื่อสัตย์ดําเนินอยู่ในความเชื่อฟังและพระเจ้าจะทรงรักษาวิถีชีวิตของเรานะครับ พระเจ้าจะทรงรักษาระวังระไวสงวนทางของเราไว้ซึ่งเป็นธรรมชนของพระเจ้าผู้รักความซื่อสัตว์รักความยุติธรรมรักความชอบธรรมดำเนินชีวิตอยู่ในความเข้าใจคือวิถีชีวิตที่ดีสาหรับทุกๆคนครับพี่น้องการที่เรามีพระปัญญานั้นเท่ากับเราจะได้ทุกสิ่งและด้วยเหตุ น, นี้ข้าซาสโลมอนจึงขอพระปัญญาจากพระเจ้าและเมื่อคุณครูปัญญาหรือพระปัญญาเข้ามาในใจของพระองค์แล้ว ทำให้พระองค์นั้นปกครองประเทศอย่างราบรื่นครับตัวสติปัญญาที่พระเจ้าประทานกับเราสติปัญญานั้นจะคอยเฝ้าระวังเจ้าของสติปัญญานั้นพระปัญญานั้นจะคอยละแวะระวังชีวิตของพวกเราเช่นเดียวกันครับสติปัญญาจะช่วยให้เราพ้นจากซึ่งชั่วรา <Order. S 1> ้ายเมื่อเราอธิษฐานครับบอกว่าขอให้พระพงษหลายพ้นจากซึ่งชั่วร้ายนั่นหมายความว่าเรากําลังขอพระปัญญาเข้ามาและขอการปกป้องคุ้มครองของพระปัญญานั้นเข้ามาในชีวิต ดังนั้นเองผมอยากจะบอกพี่น้องว่าพระปัญญานั้นก็อาจจะเปรียบเสมือนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรา ม, มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเราพระองค์จะเป็นที่ล่มรื่นกับชีวิตของเราอามเมนไหมครับพี่น้องพระองค์จะคอยเฝ้าระวังและแวดระวังเราไว้พระองค์จะสงวนทางของเราไวา้รักษาวิถีชีวิตของเราไวา้พระองค์จะเป็นที่กำบังเข้มแข็งเป็นโล่เป็นดั้งเป็นหอคอยและเป็นที่ลีภัย ริพัยจากไหนครับจากสองอย่างครับก็คือผู้ชายโฉดชั่วที่ทิ้งความเที่ยงธรรมเดินอยู่ในความมืดกระทําความชั่วร้ายและปิดใจยินดีในการร้ายที่เขาทําวิถีชีวิตของเขาเป็นพวกคดเคี้ยวเลี้ยวรดครับกับอีกพวกหนึ่งก็คือเป็นพวกที่ใช้มารยาซึ่งถือว่าเป็นหญิงชั่วครับใช้การพูดจาพนักพนอ และลืมพันธสัญญาแห่งพระเจ้านั่นหมายความว่านางนั้นเป็นกับดักของผู้ชายทั้งชายหนุ่มชายกลางคนและชายแก่พี่น้องครับไม่มีใครที่เข้าไปหานางแล้วจะกลับออกมาอีกฉะนั้นในเยเมนนี้ผู้เขียนสุภาษิตนั้นได้สรุปสามข้อครับว่าเจ้าควรจะดำเนินในทางของคนดีและรักษาวิถีของคนชอบธรรม อยากจะเรียนพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าคําว่าควรในภาษาเดิมนั้นก็คือว่าเป็น choice หรือการเลือกครับหมายความว่าเจ้าควรเลือกที่จะดําเนินในทางของคนดีและรักษาวิถีชีวิตของคนชอบธรรมนั่นหมายความว่าเรามีสิทธิ์เลือกพระเจ้านั้นได้ประทานใจอิสระในการเลือกให้กับเราและเมื่อพระเจ้าประทานใจอิสระในการเลือกกับเรานั้นหลายครั้งทีเดียว เป็นที่น่าเสียดายที่คนบางคนนั้นไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกสิ่งที่ควรเลือกครับแต่เลือกในสิ่งที่ตัวไม่ควรเลือกหลายครั้งทีเดียวเราไม่รู้ว่าคนชั่วร้ายจะถูกตัดขาดไปเสียจากแผ่นดินและเราไม่ยอมรับว่าคนทรยศจะถูกถอนรากถอนโคนออกไปแต่พระกัมพียืนยันเช่นนั้นครับพระัมพียืนยันในข้อสามสิบยี่สิบสองครับบอกว่า แต่คนชั่วร้ายจะถูกตัดขาดเสียจากแผ่นดินและคนทรยศจะถูกถอนรากถอนโคนออกไปนั่นหมายความว่าจะไม่มีที่ยืนสำหรับคนชั่วร้ายในโลกนี้ในอนาคตและจะไม่มีที่ที่เขาจะอยู่ในเมืองบริมสุขเกษมเช่นเดียวกันแต่ตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าคนที่เที่ยงธรรมคนที่เป็นลูกของพระเจ้าคนที่เชื่อฟังพระเจ้าคนที่มีพระปัญญาหรือขุนครูปรัญญาในชีวิตเขาจะได้อยู่ในแผ่นดินนะครับและอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ ดังนันครับเราเปรียบเทียบเมื่อโมเสสนั้นได้นําคนอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินแผ่นดินแห่งพันธสัญญาครับอันนั้นเป็นแผ่นดินทางกายภาพสําหรับคนยิวแต่สําหรับพวกเราเป็นแผ่นดินพันธสัญญาเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นดินฝ่ายจิตวิญญาณครับเป็นคิงดอมออฟกอรเป็นอาณาจักรของพระเจ้าและจากสวรรค์นั้นจะลงมาตั้งอยู่บนอาณาจักรโลกนี้นะครับก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเพราะปัญญาหรือคุณครูปัญญา หรือหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเคลื่อนไหวจะเคลื่อนไหวนำชีวิตของผู้คนเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าคือแผ่นดินสวรรค์เราเป็นพันธกรของพระเจ้าครับเราเป็นเครื่องมือเครื่องไม้ของพระองค์เราเป็นพัชชนะของพระองค์ที่จะนำคุณครูปัญญาไปถึงคนอีกมากมายที่จะนำพระปัญญาของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในจิตใจของคนที่จะนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเสด็จเข้ามาในชีวิตของผู้คนมากมายด้วยการอธิษฐาน การประกศาศข่าวประเสริฐการเลี้ยงดูการสร้างสาวกอย่าพลาดสิ่งที่สําคัญที่สุดโดยเราไปมัวมุ่งเน้นสิ่งที่สําคัญน้อยกว่าพี่น้องครับเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญเป็นศัตรูของสิ่งที่สําคัญที่สุดหลายครั้งทีเดียวชีวิตของเรานั้นไม่ได้รักษาความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นความสําคัญยิ่งยวดเราไม่ได้รักษาพระบัญชาพระมหาบัญชาของพระเจ้าในการที่เราจะออกไปประกาศนำวิญ ญ, ญาณ เราไม่ได้ตอบสนองต่อการเรียกร้องขององค์พระเยซูคริสต์ที่ว่าเจ้ารักเราหรือจงดูแลลูกแกะของเราสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องทําก่อนเสมอแต่ เ, เมื่อเราทําแล้วสิ่งต่างที่เราสร้างขึ้นมาภายหลังนั้นจะต้องเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางของสองสามอย่างซึ่เป็นสิ่งเหล่านี้ที่เป็นน้ำพระทัยสูงสุดของพระเจ้า หลายครั้งที่เดียวชีวิตของเรานั้นได้พลาดไปเพราะเราเสียเวลามัวแต่ทําสิ่งที่ไม่สําคัญหรือสําคัญน้อยกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเลือกครับควรจะดําเนินไปในทางของคนดีรักษาวิถีของคนชอบธรรมเพื่อเราจะได้อยู่ในแผ่นดินและอยู่อย่างนั้นตลอดไปเป็นนิริตอาเมน